4.2 ญาณที่เกิดจากการเจริญปัญญาภาวนาไปบางคนจะเบื่อความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวน่าเบื่อกุศลก็น่าเบื่ออกุศลก็น่าเบื่อล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วดับถ้าเบื่อต่อสังขารเบื่อทั้งสุขและทุกข์เบื่อทั้งดีและชั่วเสมอกันเรียกว่าจิตมันมีปัญญาอีกขั้นหนึ่งแล้วมันเริ่มเข้าใจความจริงมันเริ่มเบื่อหน่ายในวงเล็บคือนิพพานุปาานัสนาญาณ บางคนเห็นว่าขันท่ากระจายตัวออกมารูปเวทนาสัญญาสังขารกระจายตัวออกไปแล้วเราไม่มีพอเราไม่มีนะใจรู้สึกเวิ้งว้างตายแล้วขาดที่พึ่งรู้สึกน่ากลัวในวงเล็บคือพยาตูปัตตฐาน์ยาณบางคนก็รู้สึกเบือ่อบางคนรู้สึกน่ากลัวบางคนรู้สึกว่าโลกนี้จืดชืดไร้สาระไม่มีรสชาติเลยสุขทุกข์ก็เฉยเฉยไร้สาระไปหมดเลยโลกนี้จืด ในวงเล็บคืออาร์ทีนาวานุปัสนายานบางคนรู้สึกอย่างนี้นะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงทุกตัวบางคนเห็นว่าน่าเบื่อบางคนเห็นว่าไร้สาระบางคนเห็นว่าน่ากลัวถ้ารู้ทันอีกว่าความรู้สึกเบื่อความรู้สึกไร้สาระความรู้สึกน่ากลัวก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกรู้เข้าไปอีกในที่สุดใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นใจจะรู้สึกอย่างเป็นกลางความสุขมาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินดี ความทุกมาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายใจมันเป็นกลางใจมันไม่ดิน้นพอมันไม่ดิ้นมากเข้ามากเข้าเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยด้วยใจที่เป็นกลางไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหายึดถือหรือต่อต้านใจมันจะค่อยๆ ค, คล้อยตามความจริงเรียกว่ามันมีสัจจานุโลมิกยานตรงนี้จิตจะเข้าอัปปนาสมาธิมันเข้าเองนะดังนั้นหน้าที่ของพวกเรา ปฏิบัติไปจนถึงจุดที่จิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นกลางด้วยปัญญานะไม่ใช่เป็นกลางด้วยการเพ่งเคยมีคนหนึ่งนะแกหัดดูจิตของแกอยู่อย่างนี้อย่างที่พวกเราหัดดูดูอยู่เจ็ดเดือนดูจนกระทั่งจิตมันชำนิชำนานที่จะดูดได้เองวันหนึ่งเปียกฝนฝนตกใจกังวลกลัวจะเป็นหวัดพอใจกังวลกลัวเป็นหวัดถ้าเป็นสมัยแรกๆที่หัดก็จะไปดูเพื่อให้หายกังวลปรากฏว่าใจมันมีสติ มันไประลึกรู้ความกังวลโดยไม่เจตนาจะระลึกนี่สเต็ปในวงเล็บขั้นตอนที่หนึ่งนะระลึกได้โดยไม่เจตนาที่จะระลึกระหว่างระลึกนั้นสักแต่ว่าระลึกไม่ถล่มลงไปเพ่งจ้องเมื่อระลึกแล้วไม่แตะต้องมันเลยนะไม่ปรุงแต่งอะไรต่อพอจิตมันเดินได้อัตโนมัติทั้งสสเต็ปในวงเล็บขั้นตอนนี้เรียกว่ามันเป็นกลางอย่างแท้จริงก่อนจะรู้ไม่ได้อยากจะรู้มันระลึกขึ้นเอง ระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้สักแต่ว่ารู้อยู่รู้แล้วไม่แทรกแจงเลยไม่ใช่กังวลหรืออยากให้หายกังวลมีกุศลก็อยากรักษามันเป็นกลางทั้งสามสเต็ปในวงเล็บขั้นตอนเลยเป็นกลางอย่างแท้จริงจริงๆมันหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองมันแวบเดียวเสร็จแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองไม่ต้องไปช่วยมันรวมนะเสร็จแล้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับซองขณะบางคนเห็นสามขณะ ถามว่าอะไรเกิดดับสภาวธรรมเกิดดับตอบมากกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติอีกต่อไปแล้วเห็นแต่ว่าสภาวธรรมเกิดดับในขณะที่เห็นสภาวธรรมเกิดดับนั้นจิตใจเป็นอย่างไรจิตใจไม่เป็นอะไรหรอกจิต ใ, ใจเป็นกลางอย่างแท้จริงคล้อยตามอะไรมันจะเกิดก็เกิดไปอะไรมันจะดับก็ดับไปมีจิตใจคล้อยตามความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตานี่เรียกว่าอนุโลมยานใจมันคล้อยตามความจริง แต่ไม่มีความคิดนะเสร็จแล้วจิตจะวางการรู้อารมณ์จะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตรงนี้ครึ่งๆกลางๆเขาเรียกว่าโคตรภูยาน